3. ธรรมทินนะสูตรว่าด้วยธรรมทินนะอุบาสก1นึสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนาป่าอิสิปตนมรุคทยวันเขตกรุงพาราสีครั้งนั้นธรรมทินนะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสกห0 0รคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถาวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดพร่มสอนสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมทินนาะ เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพระสูตรเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสแล้วลึกซึ้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยความว่างเราจะเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอดการอยู่ธรรมทินนะท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้อที่ฆ่าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรใช้สอยผมแก่นจันจากแคว้นกาสีทัดสรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลยินดีทองและเงินจะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้วลึกซึ้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยความว่างตลอดการอยู่นั้น ไม่ใช่ทำได้ง่ายขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมอันยิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบททั้งห้าเถิดธามะทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายหนึ่งจประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองจประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามจาประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่จประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาด เป็นไปเพื่อสมาธิธรรมัินะท่านทั้งหลายพึงสำเนียดอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นชัดธรรมเหล่านั้น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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิธรมมทินนะเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้วโสดาปฏิผลท่านทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วธรมมทินนะสูตรที่สามจบ